ก, กว่าจะละนิวรได้เด็ดขาดจริงๆนะต้องอาศัยกุศลธรรมมากเนี่ยนะนะต้องอบรมกุศลธรรมอย่างอื่นมากทีนี้อุกุศลธรรมทั้งหลายที่ที่เกิดมากถ้าเราน้อมไปหาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะผู้ผู้เป็นระษาสดาที่แนะนำให้เจริญกุศลธรรมเหล่านี้พระองค์ก็ใช้โอวาตอย่างมากเพื่อที่จะสอนให้เห็นกุศลธรรมเหล่านี้ อย่างสติปทานเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงไว้หลายสิบสูตรเอย่างน้อย40สูตรเฉพาะในสติปทานสั่งยุตเนี่ยนะแล้วสติปทานในนิกายอื่นๆอีกหลายแห่งด้วยกันเนี่ยนะเริ่มมีตั้งแต่มัชฌิมนิกายเป็นต้นมาส่วนแต่คำว่าสติชเฉยเนี่ยนะมีเกลื่อนพระไตรปิฎกไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพระองค์แสดงให้ให้เห็นคุณของสติเนี่ยซึ่งแสดงมากะนะ ถ้าถ้ากล่าวไปแล้วเนี่ยพระองค์ใช้ฉันทะอุตสาหะวิริยะเป็นอย่างมากเพื่อให้เห็นอา น, นิสติก่อนนะแล้ววิริยะล่ะคําสอนที่สอนเพื่อให้เกิดความภาคเพียรพยายามความอุตสาหะเนี่ยนะเพียนเพื่อกําจัดบาปเพียนเพื่อเจริญบุญก็มีคําสอนตั้งมากเพื่อที่จะสอนให้เห็นคุณของของความเพียรเนี่ยนะทีนีแ้แม้แต่อิธิบาทก็มีหลายสูตรที่แสดงถึงอิธิบาตใช่ไหม คุณบุญชูจําั่นนะในเจโตขีรสูตรนะเจโตขีรสูตรที่ว่าฉันที่ะนะฉันทสมาธิประธานสังขารวิริยะสมาธิประธานสังขารจิตตะสมาธิประธานสังขารและวิมังสาสมาธิประธานสังขารนั่นนะตรงนั้นสูตรนั้นยกย่องอิทธิบาทแต่ถ้าอิทธิบาทที่อื่นเช่นในคำภีวิพังเนี่ยนะก็อิทธิปาท่วิพังเนี่ยนะก็มีหลายแห่งโดยการที่แสดงคุณของอิทธิบาทนั่นนะ คุณธรรมของอิทธิบาทที่ที่เอามาแสดงว่านี้ก็เป็นนับหนึ่งในธรรมะที่จะทำให้ตรัสรู้คือแทงตลอดอริยมรรคทีนี้บางแห่งก็อธิบายให้เห็นถึงอินสีห้าเนี่ยนะอินสีย์5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะ แสดงทั้งโดยในรูปแบบว่าเป็นอริยทรัพย์ด้วยเป็นกำลังด้วยแล้วก็เป็นธรรมะที่ทำให้สมความปรารถนาด้วยเอามายกย่องเนี่ยมากมากสุดเนี่ยนะเพื่อให้เห็นคุณของศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาอย่างเช่นกลุ่มบุคคลที่ที่ขาดศรัทธาเนี่ยนะพระองค์ก็จะบอกว่าเราตถาคตเนี่ยเป็นท่าอรหันต์เนี่ยนะตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเนี่ยนะ เราเนี่ยเป็นผู้ที่ข้ามได้แล้วจึงพาเธอทั้งหลายข้ามด้วยอย่างไรธรรมะเราเนี่ยที่พระองค์แสดงเนี่ยไม่ใช่ลำพองตัวอะไรแต่เขาเนี่ยขาดศรัทธาในพระองค์เฉนั้นพระองค์ก็ประกาศว่าพระองค์เนี่ยเป็นเป็นหัวโจกนะเป็นหัวหน้าในการพาเพื่อที่จะออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นเธอจึงน้อมน้อมศรัทธาเชื่อเราเถอะอันนี้สําหรับพูดกับคนที่ไม่มีศรัทธาแต่ถ้าคนเขามีศรัทธาอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปพูดให้มัน เรื่องทำอะไรนะแต่ถ้าเขามีคุณอย่างอื่นอยู่แล้วแต่ว่าศรัทธาเขาน้อยลงไปพระ อ, องค์ก็จะเน้นธรรมะเช่นในธรรมะประเภทกลุ่มเอกะบุคคลบาลีอันนั้นในเอกะนิบาตอันนั้นแหละเพื่อประกาศให้ให้ให้ผู้ที่ฟังเนี่ยมีศรัทธาหรือบางแห่งพระ อ, องค์ก็จะแสดงเอตะทัคคะบุคคลทั้งหลายขึ้นมาก็เพื่อให้ให้มีศรัทธาในพระสงฆ์เนี่ยนะ ให้มีศรัทธาในพระสงฆ์ทั้งหลายว่าพระสงฆ์ ร, นน ร, งรูปนั้นนะท่านเป็นเลิศในทางผะหูสูตรพระสงฆ์ ร, งรูปนั้นท่านเป็นเลิศในทางปัญญาพระสงฆ์รูปนั้นท่านเป็นเลิศในทางสมาธิพระสงฆ์รูปนั้นท่านเป็นเลิศในทางแตกฉานพระวินัยมากเนี่ยนะพระสงฆ์รูปนั้นท่านเป็นเลิศในเรื่องทุดงพระสงฆ์องค์นั้นมีความสามารถในการแสดงพระธรรมให้พุทธบริษัทฟังพระสงฆ์รูปนั้นมีคนต่างๆอ่นะ แม้กระทั่งมีตาทิพย์มีหูทิพย์หรือมีความสามารถด้านอื่นๆแม้กระทั่งเหาะได้เป็นต้นก็เอามายกย่องที่มายกย่องอย่างนั้นเพื่อที่จะให้ผู้ฟังทั้งหลายนี้เกิดเกิดศรัทธา เ, นะเกิดศรัทธามากขึ้นจะได้ภาคเพียรพยายามในการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะแต่ถ้าไม่ประกาศนะบางพวกก็ไม่เจริญกุศลธรรมนั้นๆพอประกาศก็มีประโยชน์ทีนี้ถ้าถ้าว่าโดยเหตุผลทั่วๆไปนะถ้าเป็นพระอรหันต์นะไม่รู้แต่งตั้งไปทําอะไร นะถ้าแต่งตั้งท่านหรือไม่แต่งตั้งท่านนะท่านก็มีความรู้สึกอยู่เท่าเดิมท่านไม่ได้ไม่ได้เสียใจหรือดีใจเพิ่มอะไรเลยนะถ้าถ้าใครจะไปแต่งตั้งหรือไปชมพระสารีบุตรแหมท่านปัญญามากเหลือเกินเราไปชมล้วก็ไม่ได้ทำให้ให้ท่านดีใจหรือเสียใจอะไรขึ้นเลยเนี่ยแต่ว่าที่พระองค์ยกย่องพระสารีบุตรเพื่อที่จะน้อมให้บุคคลอื่น น, นี่มีศรทาาัทธาในพระสารีบุตรเนี่ยนะ แล้วก็มีอีกหลายแห่งพระผู้เจ้าแสดงธรรมบางทีจะแสดงไม่จบหรอกอ่า น, นะแสดงไว้ให้คําว่าไม่จบเนี่ยไม่ใช่ไม่จบข้อความแต่หมายคือว่าไม่แสดงโดยพิสดารเนี่ยนะเอาไว้แต่ย่อๆแต่ไม่ใช่ว่าพูดไว้กึ่งเดียวนะขาดประโยคพูดหุน่หนๆมาใช่ไหอันนี้ไม่ใช่แต่แสดงไว้ว่าแต่ว่าในนั้นมันย่อเหลือเกินต้องไปหาบุคคลที่อธิบาย น, นะเพื่อที่จะให้เห็นคุณของพระเถระนั้นๆ ถ้าเห็นคุณของพระเถระนั้นๆก็จะเข้าไปใกล้ท่านไปฟังธรรมะจากท่านซึ่งท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้พูดของตัวเองอะไรก็อเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาเปิดเผยให้เพราะว่าบุคคลหลายๆคนเนี่ยตรัสรู้ธรรมไม่ใช่เกิดจากฟังพระพุทธเจ้าเกิดจากฟังสาวกของพระพุทธเจ้าเทศอีกทีหนึ่งเนี่ยนะแต่ก็เทศของใครก็ของพระพุทธเจ้าเองนั่นแหละเนี่ยนะแต่หมายถึงว่ามันต้องผ่านคนอื่นนะนะนการ ประกาศคุณานิสง์หรือคุณของพระสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เพื่อที่จะเพิ่มให้มีสัทธทินรียแก่แก่ผู้ผู้ที่ยังอบรมศรัทธาอยู่นั่นเองทีนี้พระธรรมทั้งหลายที่ประกาศถึงความเป็นธรรมดีของพระธรรมก็เพื่อให้ให้มีศรัทธาเนยิ่งยิ่งขึ้นไปพระธรรมที่ประกาศให้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมหรือคุณของพระสงฆ์เนี่ยนะเพื่อเพิ่มพูน สัตทินสีเนี่ยก็มีลหลายแห่งด้วยกันเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้พระองค์ก็ภาคเพียรพยายามที่จะสแสดงเป็นอย่างมากเนี่ยนะของเราก็ได้ฟังก็เผื่อจะเกิดศรัทธาบ้างนะบางท่านบอกแหมศรัทธาช่วงนี้อ่อนกําลังลงนะไปอ่านเทรคถ า, าแลแ้วแหมศรัทธาเพิ่มขึ้นเนี่ยนะบางท่านบอกแหมไปอ่านเทรีคถามีกําลังใจขึ้นเยอะ บางองค์ท่านบอกว่าท่านบวชมา25้าพรรษาแล้วไม่เคยสงบแม้กระทั่งคำนวนว่างูแลบลิ้นนี่ไม่มีเลยฟุ้งมาตลอดเลยยี่ปีที่บวชเข้ามาเนี่ยนะของเราไม่ได้ศึกษามาฟุ้งมา25ปียังไม่ทันถึงเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้ขนาดท่านน่าจะได้ดีบ้างแหละเหมะะือนกันถ้านั้นเราก็จะเห็นว่าโอ้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความเพียรจริงๆนะบางองค์เนี่ยเดินจงกรม30สิปีด้วยกันเนี่ยนะใช้อิริยาบทสามมา30มสิบปีไงทำให้เราเนี่ย ขนาท่านทรงพระไตรปิฎกท่านยังไม่ทันได้บรรลุของเราอะไรก็จําไม่ได้เลยอยากบรรลุเอาอยากบรรลุเอาอยังไงนะมัน ก, ก็ไม่คู่ควรกันอย่างเงี้ยนะมันขนาดท่านยังไม่เลิกราเลยะของเรามันใครเราจะได้เลิกราไปทําไมอย่างเงนะเราก็มีความเพียรมากยิ่งขึ้นนะนะก่อกให้เกิดวิริยะเพรา ะ, ะตัวอย่างทั้งหลายคําสอนทั้งหลายที่มีอยู่ในพระไตรตปิฎ ก, กเนี่ยก็เพื่อให้เห็นคุณของศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ย น, นะกลม โดยเฉพาะสมถะทั้งหลายเช่นมรณ า, านุสตนนิก็เพื่อให้น้อมไปหาสมาธินั่นเองเพื่อความสงบประงับเนี่ยนะหรือธรรมะในกะสินทั้งกสินทั้งอ ส, สุภาทั้งหลายทั้งพรมวิหารนี้ก็ยกย่องมากที่แสดงกุศลธรรมเหล่านั้นเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสมาธิ น, นีนะเพื่อให้เกิดสมาธิน แต่ถ้าเรามองพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับหมอใหญ่คำสอนทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกับทำเป็นตัวยาเนี่ยนะที่ที่เอาตัวยาเหล่านี้มาให้พุทธบริษัทได้บริโภคใช้ยาเหล่านี้แล้วหายจากโรคคือกิเลสนั้นถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้ามองแล้วก็รู้แล้วว่าคนนี้มันขาดวิตามินอะไร อน น, นถ้าตัวยาแต่ละอย่างเหมือนกับวิตามินทั้งหลายแหละเนี่ยนะรู้เลยโอ้ยหน้าอย่างนี้ขาดวิตามิน A เหมือนกันอันนี้ขาด C นะเ น, นี่ย น, นี้ขาดดีขาดเคก็ว่าไปตามนั้นๆไปแต่แต่ของเราเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนวิตามินทุกชนิด น, นั่นแหละนะนะอย่าหวังพึ่งอัลมามากมากช่างหวังมากๆมันเคยได้เพราะว่าเขามาก็ยังเป็นคนไข้เหมือนกันก็ยังดูเอ้ยาไหนมันจะช่วยรักษาโรคได้บ้างแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นก็มาม า, มาหายาร่วมกันมาเรียนร่วมกันเผื่อจะห า, หายไข้หายป่วยกันบ้างเนี่ยนะเพราะฉะนั้น เ, เราก็ต้องมาร่วมกันศึกษาว่าคําสอนแต่ละอย่างแต่ละอย่างนนเราเนี่ยจริงๆเราขาดอะไรแล้วก็ค้นหาตัวเองให้พบเนีย่ยนะหาตัวเองให้พบเพราะฉะนั้นในโลกนี้ไม่มีไม่มีคนใดไปทําหน้าที่ทํางานแทนพระพุทธเจ้าได้แม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยไม่ได้ฝากศาสนาเอาไว้กับผู้ใดผู้หนึ่งเลย พระองค์ฝากไว้กับคำสอนที่พระองค์สอนไว้ทั้งหมดนั่นแหละว่าเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเราเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศรัทธาที่จะศึกษาก็นับว่าได้ทรับคือสุตตะเป็นต้นอยู่แล้วถ้าหากว่าเราศึกษาไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเห็นคุณของกุศลธรรมแต่ละอย่างคือโพธิปัขจธรรมทั้งสาสิบเจโพธิปัขยธรรมเนี่ยนะก็แปลว่าโพธิแปลว่าตรัสรู้หมายถึงตรัสรู้ธรรมะเป็นที่พ้นทุกข์นะนะ ปัจกยะก็อยู่ในฝ่ายปัจกียะก็คือในในฝ่ายนะปแปลว่าโพธิปัจกยธรรมหมายถึงธรรมะที่อยู่ในฝักฝ่ายที่ทําให้ตรัสรู้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเบื้องแรกก็ค่อยๆเก็บกุศลธรรมเหล่านี้นะบอกว่าค่อยๆนะดูเหมือนกับว่าแบบเสียดายกิเลสมากนะค่อยๆทากันแล้วกันแต่ทีกิเลสเนี่ยค่อยๆละ <laughs> <laughs> มันไอ เราถ้าเราหมั่นอบรมค่อยๆศึกษากุศลธรรมมากขึ้นเนี่ยนะอ่านพระธรรมแล้วก็ทรงจําพระธรรมได้อย่างกุศลธรรมทั้งหลายตั้งแต่สติประธานสี่สัมมาประธานสีที่บาทสี่อินทรี่ห้าพระละห้าโพชฌงเกตมากแปดธรรมะเหล่านี้ถ้าเราจําอะไรไม่ได้เลยนะเราจะเจริญถูกได้ยังไงเนี่ยนะเราเราเจริญไม่ได้อยู่แล้วโอ้แล้วชื่อธรรมะตั้งมากมายแล้วใครจะจําหวาดจําไหวชื่อธรรมะที่กล่าวนะ ไม่ได้มากกว่าชื่อโยมที่นั่งอยู่แถวนี้หรอกแล้วที่ไม่ชื่อคนทำไมมันจําแม่นอยจังอะนะนี้ชื่อนี้คนนั้นชื่อนั้นคนโน้นชื่อนโน้นเสานี้ชื่อเสาเหลี่ยมเสากลมสีนี้ทําไมเราโอ้โหจำได้ตั้งเยอะแยะไปหมดทีอย่างนี้จําเอาจําเอาเนี่ยนะที่คําสอนแหมละสาสิบเจดอย่างโอ้ตั้งสามสิบเจ็ดเนี่ยนะมันดูใหญ่โตมาก น, นะงั้นถ้าถ้าเรามีศรัทธาเราก็พอที่จะจําได้อยู่แล้วเนี่ยนะถ้าจําได้เราจึงจักเจริญถูกต้องเนี่ยนะ ถ้าหากว่าเราอะไรจําไม่ได้เลยเนี่ยนะทุกจะไปกําหนดรู้ว่ายังไงสมูทัยนี่จะไปละมันได้ยังไงนิโรดนี่แจ้งอะไรก่อใหม่รู้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยอุปโลกให้เกิดอริยะต่างๆมากขึ้นเนี่ยนะคนที่ไม่เป็นก็พอคนอื่นเขาเสกก็มากนนึกว่าเป็นจริงๆเข้าเห็นไหมนักๆเข้าอริยะก็กโกรธอริยะก็ผิดศีลเนี่ยมันยุ่งเนี่ยนะจริงแล้วไม่ได้เป็นจริงๆหรอกแต่คนอื่นเขาเสกให้เป็นเฉยๆเนี่ยนะมักแต่ละอย่างเนี่ยนะ สติปัฏฐานคืออะไรก็ไม่รู้พอคนอื่นเข้ามาบอกว่าเออนี่นะเป็นสติปัฏฐานไปทําตามเขาเข้าก่อนนึกว่าเราเนี่ยเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานของเราหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นปริยัติธรรมนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะในช่วงบ่ายหรือช่วงเช้า ว, วันนี้สนทนาก็มีหลายท่านด้วยกันเนี่ยนะที่ที่เป็นนับบรรยายนธรรมทั้งหลายว่าของเราทั้งหลายในยุคนี้สอนไปสอนมาก็ คนจะห่างพระรัตนะตรายกันมากขึ้นเหมือนกันเลไม่ค่อยราบรบรู้ในคุณของพระพุทธเจ้าเหมือนันนั่นก็ทวงติงกันพอสมควรเนี่ยนะ ก, ก็มีหลายท่านด้วยกันนั่นก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็ทรงจำแล้วก็ตอนนี้สมบัติชิ้นสุดท้ายที่เราจะได้จากพระพุทธเจ้าคือปริยัติเท่านั้นเนี่ยนะทีนี้นนนนนถ้าปริยัติเราดีเท่าไหร่การปฏิบัติของเราก็ดีเท่านั้นเนี่ยนะ ถ้าเราก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วเราจะบอกว่าเราปฏิบัติดีแล้วเราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดนอกจากความสําคัญตนไปเท่านั้นเองว่าเรานี้ไม่ธรรมดานะอันนั้นก็สําคัญตนเข้าใจผิดขึ้นมาเองเท่านั้นเองในขณะที่สําคัญตนขณะนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าปฏิบัติของเราไงก็คือปฏิบัติตัวม า, น, านะน่ะนึกถึงพระโมคคัลลานะว่านิปัสนาท่านพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยมากเสร็จแล้ว ปัญญาท่านคมมากอะนะท่านก็เลยแหมปัญญาเรานี่ดีเหลือเกินอาตมาทาท่านอุปมาว่าเหมือนอย่างว่าคนเนี่ยมีขวานคมคมฟันกับต้นไม้ฟันเข้าไปเปรี้ยงแล้วก็แม่มันเข้าไปดีเหลือเกินแล้วก็มานั่งรูปคมขวานานั้นแมขวานเรานี่คมจริงๆเลยนะถ้านั่งรูปอย่างงั้นใบใๆในต้นไม้มันขาดไหมไม่ค่อยคาดอย่างนั่นะ เราเนี่ยพอเจริญกุศลไปหน่อยนี่โอ้โเรานี่ดีนะคิดไปคิดมาเนี่ยดีกว่าคนอื่นตั้งหลายคนเลยนะคิดไปคิดมาไอตอนหลังมาไม่ได้ดีอะไรหรอกับเท่าๆกับคนอื่นนั่นแหละเพราะว่าไอตอนคิดอย่างนั้นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคนอื่นเนี่ย น, นะก็อกุศลด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละถ้าเราขาดความรู้ขาดความเข้าใจอย่างโดยเฉพาะเช่นนิวรณ์บพัพพะเนี่ยนะ เช่นว่าตัวนิวรณ์แต่ละอย่างเนี่ยคืออะไรตั้งแต่การมฉันทะพยาบาททีนมิท ธ, ธาอุทะจักกุกุจักวิแลวิจิกิจชาเนี่ยนะแยกแยะแต่ละอย่างให้เข้าใจให้ดีอย่างที่สองต่อไปถ้ามันเกิด่ะมันเกิดเพราะอะไรเนี่ยนะปัจจัยที่ทำให้ให้เกิดแล้วถ้าเมื่อมันเกิดหรือถ้าจะละเนี่ยนะละด้วย ปัจใจอย่างไรเนี่ยนะอันนี้ต้องต้องจำเลยจริงๆถ้าถ้าไม่จำนะถ้านิวรน์เกิดแก้อย่างไอางอ่ะเนี่ยนะเกิดนึกโกรธขึ้นมาแล้วนะเอ๊ไป แ, แก้ยังไงธรรมะก็เรียนมาตั้งเยอะแยะมันนึกไม่ออกสักข้อเลยนะก็อย่างน้อยก็จำไว้ในดีว่าโยนิสโมนสมณัิการในเมตตาเจโตวิมุตต์อันนี้เป็นอาหารเพื่อละพยาบาทที่ยังไม่เกิดแลวก็ละพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วด้วยเนี่ยนะ แล้วก็เป็นไปเพื่อสงบระ ง, งับพยาบาทยิ่งยขึ้นไปถ้าใส่ใจในเมตตาเจโตวิมุตให้มากๆเพราะฉะนั้นนึกเครียดเมื่อไหร่แสดงว่าเรานี่ขาดเมตตาเจโตวิมุตอย่างนั้นนะแลก้ก็จะได้หมายว่าจะได้แก้โรคคือกิเลส ท, ที่มีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยได้เอ๊ะทำไมช่วงนี้ราคาย้อมมากเหลือเกินก็บอกว่าอ๋อเพราะว่าเราขาดการเจริญโยนิสมนสิการในอสุภาิมิต ทำไมช่วงนี้เบื่อในการเจริญกุศลเหลือเกินเนี่ยนะเบื่อที่จะคิดธรรมะเบื่อที่จะเรียนธรรมะเบื่อที่จะพิจารณาคําสอนเบื่อที่จะเจริญกุศลเบื่อเหลือเกินอยู่คนเดียวเนี่ยนะก็เลยร้องมาเลยเบื่อเบื่อจริงโว้ยเลยครับเนี่ยนะก็มาเหมือนเพลงก็ร้ององั้นพอดีแอบได้ยินวันก่อนนั่นนะเขอร้องเพลงลว่าชื่อเพลงว่าเบื่อเขาบอกเบือ่อเบื่อจริงโว้ยเขาม า, างี้ยก็ก็ลักษณะเบื่อหนักๆเข้าเพียงแต่ว่าแหมสำรวมไม่กลาพูดคําเหล่านี้ออกมาเท่านั้นแหละ เพราะฉะนั้นก็เบื่อในการเจริญกุศลทั้งหมดนั้นเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของทีนามิธาเนี่ยนะที่เรียกว่าไม่ยินดีในการเจริญกุศลไม่ยินดีในการหลีกเลนไม่ยินดีในการพิจารณาธรรมะอันนั้นแหละเรียกว่านิวรเ น, นี่ยนะเป็นนิวรที่เรียกว่าทีนามิทานิวร์ทีนี้เหตุละ่ะเหตุก็ต้องคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามคือ อารัาธาธนิกรรมธาตุปรกรรมธาตุอารัปาธาธความเพียรเริ่มเ네นี่ยนะต้องคิดรเริ่มใหม่ๆเริ่มในที่นี้หมายความว่าเริ่มที่จะคิดออกจากสิ่งเหล่านี้เ네นี่ยนะเริ่มออกจากความเกียดคร้านเริ่มออกจากความหดหู่ความง่วงเหงาอ่านะแล้วก็นิกรรมาธาตุก็คือเพิ่มกําลังมากกว่า น, นั้นปรักรรมาธาตุก็บากบั่นไปเลยครนี้ก็ต้องออกจากสิ่งเหล่านี้ให้ได้ด้วยความเพียรความพยายามความบากบรรั่น มีอยู่พระรูปหนึ่งโอหท่านเดินจนเดินจงกรมแล้วมันง่วงอะนะก็หลับแล้วล้มกลิ้งแล้วตื่นขึ้นมาเจริญใหม่แล้วตอนหลังบรรลุเลยเนี่ย น, นก็มีองค์ที่ที่เดินจงกรมจนหลับก็มีเดินไปเดินมาเนี่ยหลับเนี่ยนะของเราเนี่ยดูพอา ง, ง่วงนิดหนึ่งน ะ, ะหมายถึงอะไมานะเนีพราะง่วงหน่อยได้เวลาพักผ่อนแนละ้วสมควรแก่เวลาว่านั้นเกิเลสมันแตกใบรถยนต์อ่างสุขภาพบั่งอ้างโ น, น่นอ้างนี่ไปเรื่อยไห การเจริญเนี่ย νε, เราก็ต้องรู้ว่า้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับนิวรเนี่ยคืออะไรทีนี้ต่อไปอีกถ้าความฟุง้งความเดือดร้อนใจความรําคาญใจเกิดขึ้นเนี่ยเราเราจะละมันได้ยังไงเนี่ยนะพงบอกว่าอ ะ, อ ะ, อะวูปัสมะความสงบด้วยสมะถะและวิปัสนาเนี่ยมีอยู่นะการใส่ใจการที่ไทมากในสมะถะและวิปัสนาอันนี้แหละเป็นเหตุเพื่อที่จะละอุทะจักกุกุจักเนี่ยนะก็คือ ถ้าเดือดร้อนใจในเรื่องศีลเราก็คิดถึงกุศลศีลที่ได้ปฏิบัติเห็นไหมคิดที่จะออกจากศีลไข้ครวนในการเจริญกุศลศีลนึน่งถึงกุศลสมถะวิปัสนาทั้งหลายที่ได้เจริญน้อมไปให้เห็นคุณเห็นประโยชน์ของธรรมะเหล่านี้ความเร่าร้อนใจเนี่ยนะกุทธาจักกุกุจักความเดือดร้อนเร่าร้อนทั้งหลายเหล่านี้ก็เริ่มสงบระงับลงเนี่ยนะนะถ้าให้เห็นคุณของของกูปัสมะความสงบด้วยสมถะและวิปัสนาทั้งหลาย แต่อย่าลืมนะคำว่าสมถะเนี่ยกับคำว่าวิปัสสนากว้างขนาดไหนโพธที่ปัจขยธรรมทั้งหมดเนี่ยคือสมถะและวิปัสสนาก็น้อมไปในคำสอนทั้งหลายเหล่านี้ให้ได้อ น, นันนแหละเป็นเหตุเพื่อสงบประงับเนี่ยนะทีนี้ต่อไปนะ่ะถ้าวิจิกิจฉาถ้าจะละวิจิกิจฉาก็ต้องเจริญอาทิมโมกใช่อธิมโมกเนี่ยนะก็คือการน้อมใจเชื่อใน พระพุทธเจ้าเนี่ยนะทีนี้การที่ที่จะน้อมใจเชื่อเนี่ยนะเราเอาอะไรมาน้อมใจเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระอรหันต์จริงๆเนี่ย uchs, นะเอาอะไรมาเป็นเป็นมูลฐานในการในการคิดนะก็ต้องหมั่นมาเจริญพุทธคุณให้มากเนี่ยนะเจริญพุทธคุณเอาแบบที่พระนรินเจริญก็ได้พระนรินก็เจริญพุทธคุณเนะี่ยก่อนตอนที่พระนรินไปที่เมืองภัยสาลีเนี่ยนะเพื่ อ, เ พ, อเพื่อทำน้ําพระ ป, ปริตนะ ที่สวดรัตนสูตรท่านระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก่อนว่าปณิธานตัวปัฏายะทศปรมิโยทศะะอุปปรมิโยทศปรมัทธปรมิโยปัญจามาหปริจาเจติตโสจริยาเป็นต้นเนี่ยนะบอกว่าพระพุทธเจ้านะตั้งแต่พระองค์ตั้งปณิธานปณิธานก็คือการปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าพอพระองค์ตั้งความปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีสิบ มัเพนอุปปารมีสิบมัมเพ็นปรมัทธปารมีสิบมหาบริจาคห้ามัมเพญจริยาอีกสามโลกัทะจริยายาตะทะจริยาพุทธะทะจริยาแล้วก็พอชาติสุดท้ายพระองค์ก็ยังลงสู่คันนะนะขับพาวัตกันติงนะพระองค์ก็ยังลงสู่คันพอลงสู่คันแล้วเกิดอะไรขึ้นหมือนโลกะธาต์ก็หวั่นไว้ดํารงอยู่ในครันคลอจากคันเหมือนโลกะธาต์ก็ วันไหวพอคลอดมาจากคันดำรงอยู่ในค า, า, ารวาสก็ออกบวชออกบวชหลังจากนั้นก็ตรัสรู้เป็นผ้รหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแทงตลอดพระสัพพัญยุตยานเนี่ยนะแล้วก็ท่านพอท่านตอย่างนี้ท่านก็เริ่มสวดรัตนะสูตรว่ า, านะมาถึงทายะบทว่าตอนที่เป็นรัตนะสูตรตรงๆเลยก็คือตั้งแต่บทว่ายังกินชีวิตทางอิทาวาหุรังวาสเกสวาอย่างรัตนงปณีตังเนี่ยนะว่า รัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในในโลกนี้และรัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยนะัเครื่องปลื้มใจด้วยรัตนะทั้งหลายนะทั้งรัย์ทั้งรัตนะเครื่องปลื้มใจทั้งหมดทั้งในมนุษย์โลกและในสวรรค์รัพย์และรัตนะเหล่านั้นที่จะเสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีอิธรรมปีพุทเทรัตนังปณีตังเนี่ยนะบอกว่ารัตนะที่ประณีที่จะสงบลึกซึ้งละเอียดดีกว่า พุทธรัตนะไม่มีนี้เป็นความประณีตของพุทธรัตนะด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ก็ละลึกถึงพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเสร็จก็น้อมความสวัสดีเนี่ยนะให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านก็เจริญพุทธคุณน้อมจิตไปแบบนี้พีจาจรณาแบบนี้ก็ทําให้อะไรละวิจิกิจฉาไปได้ใช่ไหมคือน้อมจิตไป หรือว่าวิจิกิชามเกิดแล้วมันไม่น้อมจะคิดอย่างนี้นะมันจริงหรือเปล่ามันหลอกเราหรือเปล่าทว่าวิจิกิชามมันก็จะเสียมสอนเหมือนทางเสือโคร่งนะไปยากพอมันเกิด แ, แล้วไปยากแล้วเกินในทางเสือโคร่งมันข้ามยากมากแต่ถ้าน้อมไปบ่อยๆจิตก็ไปเหมือนกันทีนี้ถ้าพระธรรมคําสอนน่ะดียังไงแล้วก็ต้องระลึกว่าพระธรรมคําสอนที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะ แม้กระทั่งปริยัติธรรมแค่ได้ฟังนี่ก็สา่งจากราคะสั่งจากโทสะแล้วก็สังจากโมหะเนี่ยนะเช่นพระองค์บอกว่าธรรมะที่น่าอัศจรรย์ของพระ อ, องค์ก็คือว่ามูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยินดีในตัณหาแต่ฟังธรรมะของพระ อ, องค์เวลาพระ อ, องค์เทศเนะเออเงี่ยฟังเงี่ยโสดฟังอยู่เหมือนกันชอบเรื่องตัณหามากแต่คําสอนพระพุทธเจ้าเพื่อละตัณหา ก, ก็ฟังอย่างนั้น อ่านะเพราะอันนี้พูดถึงสมัยพุทธกาลอ่านะ ก, ก็เป็นอย่างนั้นสมัยนี้ก็พอมีฟังบ้างเนี่ยนะถ้าเทียบกับฟังอย่างอื่นนะก็ใช้คําว่าบ้างเพน้อยมากอย่านี้เ <c oughs> บอกว่าทีวีหนึ่งช่องเนี่ยประชาชนที่ดูต่อนหนึ่งภาพไม่ต่ํากว่าหนึ่งล้านคนเนี่ยนะเขาพูดอันนี้พูดถึงการโฆษณาทางทีวีนะบอกว่าขอให้ได้เผยแพร่หนึ่งครั้งปั๊บเนี่ยนะประชาชนดูอย่างน้อยหนึ่งล้านคนประมาณนั้นะต่อหนึ่งช่องนะและช่องต้องมีทั้งหลายช่องทีนี้ ฟังธรรมน่ะมันมีถึ ง, งผ่าล้านเนี่ยมาเหลือเท่าไหร่นะกว่าจะมาเหลือสักไม่กี่สิบเนี่ยนะมาฟังธรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบอกใหม่มันน้อยเต็มทีถ้ า, ถาเทียบกับฟังอย่างอื่นเนี่ยนะฟังอย่างอื่นนับว่าน้อยมากก็มีฟังอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังยินดีเพลิดเพ ล, นเพลินด้วยอำนาจราคาอยู่แต่ว่าพอฟังก็ก็ใส่ใจนะแต่แล้วก็เพลิดเพลินต่อไปอะไรเงี้ยมันก็เห็นว่าหมูสัตว์เนี่ยมีตันหาเป็นที่ยินดีแต่ถ้าฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าในขณะที่ฟังเนี่ยตันหามีไหม ไม่ค่มีอ่ะโดยมากเห็นโทษแหมตันหาไม่ดีเลวร้ายเหลือเกินหลังอีกจากนั้นก็เขบอกว่าสลบมาฟื้น อ, อีกหน่อยแล้วก็สลบต่อลัสนาเนี่ยนะในในสูตรหนึ่งพงพูดถึงว่าปุถุชนทั้งหลายมีแบ่งเป็นกลุ่มว่ากลุ่มบางพวกจมอยู่ในน้ำใช่ไหมพองเงยศีรษะขึ้นพ้นน้ําแล้วก็จมต่อไปไปถามว่าไอ้ขณะที่เงยขึ้นคือขณะที่ฟังธรรมนะนะพอฟังธรรมศึกษาธรรมเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็จมตามเดิม นะกลุ่มแบบนี้ก็มีบางพวกเงยพอเงยขึ้นแล้วไม่จมต่อไปอีกก็มีเช่นพระอริยะทั้งหลายเนี่ยนะนะนถ้าธรรมะของพระองค์เนี่ยแค่ฟังก็สั่งจากราคะาฝ่งจากโทสะเนี่ยนะแต่ทีนะก็บางทีก็สัง่งบางทีก็ไม่ค่อยสัง่งนะเป็นช่วงๆไปทีนี้แค่ฟังนะยังสงบจากบาปอากุศลได้ขนาดนั้น ถ้าเจริญขึ้นปฏิบัติตามกุศลธรรมเหล่านั้นมากๆขึ้นจนถึงท่าโซดาปฏิมักคกุศลเกิดขึ้นสกท า, าคามีมัคคุศลอนาคามีมัคกรหัตมัคคุศลเหล่านั้นเกิดขึ้นถ้ากุศลเหล่านั้นเกิดขึ้นจะต้องสงบระ ง, งับจากบาปอากุศลสงบระ ง, งับจากทุกทั้งหลายในวัฏฏะเป็นแน่ถ้าเราคิดแบบนี้บ่อยๆนี่นะก็ละวิจิกิจชาได้เพราะน้อมไปที่จะมีศรัทธาต่อต่อพระรัตนะตรยัยหรือว่าน้อมใจที่จะ ปรารถถึงความปฏิบัติดีของพระสงฆ์แต่ไม่ใช่ว่าไปเอาตัวอย่างแบบแบบสมัยนี้นะสมัยนี้เดื อ, รอดร้อนแน่เดี๋ยวเปลี่ยนาศาสนาะแน่เนี่ยนะเจ็ดค้ายาบ้าอย่างเงี้ยโอ้แต่ว่าหมายถึงพระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะที่ท่านปฏิบัติดีทางกายปฏิบัติดีทางวาจาและก็ปฏิบัติดีทาง ทวารใจเนี่ยนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงต่อคําสอนจนรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจธรรมมันในยุคนี้ถ้าจะให้ดีนะพอที่จะรักษาศรัทธาเราได้บ้างก็หมั่นอ่านเทระคาถาโอ้มีตั้งหลายร้อยรูปนะก็น่าจะมีประทับใจสักองคหนึ่งละเทรีคาถาอีกตั้งเป็นร้อยรูปเนะียก็น่าจะมีที่ประทับใจนะซากองคหนึ่งแล้วมาคี้ตามท่านานะนะ การคิดถึงพระเถระพระเถรีบ่อยๆถึงความปฏิบัติทั้งหลายของท่านถ้าจะให้เพิ่มเติมพิสดารมากกว่านั้นไปดูอัปทานทั้งหลายนะเถระเถราประธานเถรีประธ า, านเ น, นี่ยนะก็ไปอปทานนี่แปลว่าเหตุเดิมนะบุญเดิมที่ท่านทำเอาไว้ว่าท่านทําบุญอะไรท่านจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานท่านทําเหตุอะไรไว้ในปางก่อนมันอนปทานก็คือเหตุเดิมที่ท่านทําไว้ในก่อนนั่นเองอนะก็ไปอ่านถึงมูลเหตุที่ท่านาจเจริญกุศลเหล่านั้นๆ ก็ทําให้เราเนี่ยมีสัตทินทร์ศีน้อมไปอาจารยนี้บอกว่าอ่านแล้วมีศรธรรมมากขึ้นนะแสดงว่าอ่านอัปทานเนี่ยนะทีนี้ก็ยังมีคุณของไตรศิขาคุณของศีลเนี่ยนะคุณของศีลคุณของคือคุณของพระวินัยคุณของพระสูตรและคุณของพระพิธรรมทีนี้ถ้าค่อยๆคิดถึงพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมเนี่ยนะคิดอย่างนี้ได้มากๆก็น้อม เอคําสอนทั้งหลายเหล่านี้ก็สอนให้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะถ้าใครปฏิบัติตามคําสอนเหล่านี้ได้ก็ต้องพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเราก็จะน้อมที่จะน้อมไปในสิกขาเราก็ไม่สงสัยในสิกขาอย่านะัวิจิกิจฐาในสิกขาก็ไม่มีทีนี้ถ้ามาปรารบถึงกรรมและผลของกรรมปรารบปฏิจจสมุปบาทปรารบปัจจุบันคือผลที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็สาวไปหาเหตุตามคําสอนที่แสดงไว้ แล้วก็พูดถึงเหตุในปัจจุบันแล้วก็พิจารณาถึงผลที่ควรจะมีในอนาคตตามคําสอนที่ที่แสดงเอาไว้ไอความสงสัยทั้งหลายที่มีในอดีตความสงสัยที่จะมีในอนาคตหรือสงสัยทั้งอดีตอนาคตก็ไม่มีเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้อ่ะนะให้เห็นเป็นปฏิจจสมุปบาทอ่ะนะทั้งสายความเกิดและสายความดับเนี่ยนะในทวารทั้ง6เนี่ยนะทวารทั้ง6อ่ะนะวันนี้ก็ ในช่วงเช้ากับช่วงบ่ายวันนี้ก็พูดถึงไอ้ปฏิจจสมุปบาทในในทวาร6กเนี่ยนะนะก็คือคุ้นตามที่เราคุ้นเคยฟังอยู่แล้วนั่นแหละก็พิจารณาอย่างนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะไอ้ความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทธรรมก็จะลดลงไปเนี่ยนะทีนะี้ก็จะละวิจิกิจชาได้ถ้าปฏิบัติเจริญสมถะหรือวิปัสสนาเหล่านี้เนี่ยนะกุศลธรรมทั้งหมดเหล่านี้ จนได้บลูโสดาปฏิมักขึ้นทีนี้วิจิกิจฉาก็จะละได้โดยเป็นสมุทเฉธาปหานะก็จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์ได้นันก็นิวนบัพระธรรมที่ถือว่าเป็นธรรมที่ควรละก็คงจะกล่าวแ ต, แต่เพียงเท่านี้เนี่ยนะทีนี้ อ, อริยสัจในบัพพานีนิดหนึ่งว่าสติที่ไปพิจารณากุโสรธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็นับเนื่องเป็นทุกขสัจ เพราะว่าอะไรเพราะสติที่พิจารณาอย่างนี้ยังไม่ได้แทงตลอดอริยสัจยังไม่ได้บรรลุมรรคผลมันสติในชั้นนี้ยังนับเนื่องในทุกขสัจอยู่ทีนี้เมื่อนับเนื่องในทุกขสัจก็ถือว่าเป็นผลผลิตเป็นเป็นดอกเป็นผลของตัณหาในการก่อนอยู่ดีดันั้นตัณหาในการก่อนที่เป็นตัดใจให้สติเกิดจึงเป็นสมุทยัยสัจถ้าสิง่งความเป็นไปของสิ่ง นเรียกว่าวัตตะสองสารถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปที่เรียกว่าอัปปวัตตะอนิมิตตะอนายยหณนะเนี่ยนะอาชาติเป็นต้นถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปอ่ะอันนี้เป็นนิโรสั จ, จะนิโรสั จ, จะข้อปฏิบัติที่ไปพิจารณาสติโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นละฉันทราคะในสติแล้วก็แทงตลอดธรรมะที่สงบประงับด้วยข้อปฏิบัติใดนั่นเป็นมักสัตนะนะด้วยเรียนครับเหลืออ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้า เราปฏิบัติจนถึงแทงตลอดอริยสัตว์นี้ก็ถือว่าเป็นผลของการเจริญนิวรณบัพพะตามตามสมควรเนี่ยนะซึ่งเป็นจุดหมายของการเจริญนะอย่าลืมว่าทุกๆบัพพะถ้าพิจารณาได้ถูกต้องก็ต้องแทงตลอดอริยสัตว์นั้นถ้าในนิวรณบัพพะก็ประมวลให้เห็นอริยสัตว์ว่าถ้าเราจะจบบัพพา t h ต้องเห็นอริยสัตว์เนี่ยนะจึงจะเชื่อว่าคนเรียนบัพพานี้จบ แต่ถ้ายังไม่เห็นอริยศาสตร์นะให้คิดว่ากำลังเรียนกำลังเรียนนิวลบัพพะอยู่เนี่ยนะเพราะว่าคนที่จะจบนิวรณ์บัพพะคือคนที่ได้อรหัตตมรกนั่นแหละจึงจะละนิวรณ์ทั้งหมดได้เป็นสมุเทเฉทะปะหารนี่นะ็ น, น, าา น, นินวรณบัพพาคงจะได้กล่าวเฉพาะแต่วันนี้นะพรุ่งนี้ก็ได้ขึ้นบัพพะอื่นเลยเพราะว่าโหมีอยู่ห้าข้อว่าไปทั้งสองอาทิตย์ แล้วไปนี okay, <Bu> ้การารอย่ีี่เป็นการพิจารณาที huh. <like. S 1> ่ไมถูกไม่ไ hmm. ม mm ่ไ hmm. ม mm ่เป็นยุสก็มีไม่ละในวิธีพิจารณาแบบนี้ในบัพพานี้ทั้งหมดเนี่ยนะโดยพยัญชนะมีไหมถ้าพยัญชนะไม่มีก็อัถาก็แสดงว่าไม่ถูกแล้วที่ว่าเป็นอดีตนะครับบัมาถึงมาถึงว่ารูปที่เป็นไปในอดีตใช่คืนนิวรนทั้งหลายแมในอดีต มันก็เกิดจากอโยนิโสมนัสิการเหมือนกันนิวรในอดีตถ้าบุคคลใดละได้ก็ละได้ด้วยโยนิโสมนสิการเหมือนกันนั่นแหะนิวรในอนาคตถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดเพราะอโยนิโสมนัสิการถ้าจะละนิวรในอนาคตก็ต้องละด้วยโยนิโสมนสิการปัจจุบันนี้ถ้านิวรจะเกิดก็เพราะอโยนิโสมนสิการถ้าจะละนิวรก็ต้องละด้วยโยนิโสมนสิการ คือคนทั่วๆไปนะเข้าไม่ได้ละนิวรนอะไรเพียงแต่เปลี่ยนนิวรนเฉยๆเช่นโอ้โหทางานเครียดมากไปหาอะไรสนุกๆทําไม่ได้ละเพียงแต่เปลี่ยนนิวรนเนี่ยนะไม่ได้ละอะไรก็รไม่มีธรรมะอะไรที่ไปละนิวรนนั้นๆเลยเนี่ยนะเช่นหมายทำงานวันนี้เหน็ดเหนื่อยเครียดมากไปดื่มเหล้าต่ออย่า มันไม่ได้ไปละนิวรณ์มันก็เปลี่ยนนิวรณ์เฉยๆจากนิวรณหนึ่งสูงนิวรณหนึ่งสลับคร่เคร่าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอการพิจารณาเกิดดับแบบนั้นเนี่ยก็คนทั่วๆไปก็รู้อยู่แล้วเห็นไหมจิตแพทย์เนี่ยโดยเฉพาะสายจิตบำบัดนี่เขาก็รู้สิ่งเหล่านี้ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราเคยได้ยินไหมจิตแพทย์แทงตลอดอริยสัจอย่างเงี้ยก็ไม่มีเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเข้าหลักของการพิจารณาเพื่อให้แทงตลอดอริยสัจอะไรเห็นไหมเพราะว่าการพิจารณาเพื่อแทงตลอดอริยสัจอย่าลืมว่า นิวรณ์ทั้งหลายนับเนื่องในกลุ่มสมุทัยศาสตร์ซึ่งเป็นประหาตประธรรมเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่รู้ธรรมะอย่างอื่นๆเลยแต่นิวรณ์ทั้งหลายต้องไม่ลืมว่าเวลาเขาเกิดนี่เขาอาศัยอะไรเกิดก็อุปาทานะขันเนี่ยนะัน้นถ้าจะละนิวรณ์ได้นะ่ะเช่นว่าการมฉันทานิวรณ์ที่มันเกิดก็เพราะยินดีเพลดิดเพลินในในรูปประขัน ทีนี้รูปประคันที่เข้าไปเพลิดเพลินเนี่ยเพลิดเพลินยังไงการพิจารณาก็ตรงกันข้ามกับที่ที่เพลิดเพลินเพราะรอบรู้ในรูปประคันนั่นแหละจึงไม่มีการมาฉันทานิวรเนี่ยนะการการพิจารณาเนี่ยจึงรับว่าพิจารณาเป็นอย่างมากไม่ใช่สักแต่ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วอ้าวตอนนี้ไม่มีแล้ววันก่อนร้องให้วันนี้มาหัวเราะพรุ่งนี้ไปก็ช่วยเนี่ยนะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ารู้เท่านี้เนี่ยนะ ค่ะถ้ารู้เท่านี้นี่ปกติก็ไม่ต้องศึกษาธรรมะก็พอรู้อยู่แล้วพรตัดยานี่เป็นการภากของเขียวหรือเปล่าในวินัยก็ห้ามพากของเขียวพ <c oughs> ระตัดยานี่ผิดไหครับไปถามนั่นเลยถามงนี่ตัดนีผิดหรือเปล่า <c oughs> นั่นนะก็ก็คุณก็พอรู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรอนะ่ะคําถามบางอย่างถ้าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยนะสร้างความไม่สบายใจให้คนอื่นก็ไม่อยากตอบนั่นนะ ก็คำถามบางอย่างก็รู้อยู่แล้วภากกินข้าวเย็นได้ไหมอย่างเงี้ยโอ้ยตอบเองก็ได้อยู่แล้วเนี่นะซึ่งเรียกว่าไม่ต้องถึงเนี่ยนะไปถามใครก็ตอบได้ถามพุณธาภาก็ตอบได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็อย่างเงี้ไม่ต้องถามก็ไม่เป็นไร